ที่มีรูปนามเป็นอารมณ์สำหรับคำว่าการเจริญสติในบทความนี้หมายความถึงการเจริญวิปัสสนาเท่านั้นแต่ที่ผู้เขียนไม่ตั้งหัวข้อบทความว่าการเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจำวันก็เพราะพวกเรามักอุ้นเคยกับคำว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันมากกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวัน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 แล้วไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานในแนวทางของสมถยานิกบางท่านรู้อิริยาบทใหญ่โดยหน่วงการเคลื่อนไหวให้ช้าลงบางท่านสร้างจังหวะการเคลื่อนไหวให้ละเอียดมากขึ้นบางท่านใช้อิริยาบทอย่างเดียวเป็นหลักเช่นการเดินจงกรมและบางท่านรู้อิริยาบทสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นต้น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 เช่นไม่แทรกแสงจิตและอารมณ์รู้แล้วจบอยู่แค่รู้นั้นไม่ทํากระทั่งการพยายามละอกุศลธรรมและการพยายามสร้างและรักษากุศลธรรมแต่ปล่อยให้สภาวะธรรมทั้งหลายนั้นเป็นไปตามที่เขาเป็นเพียงแต่มีสติตามรู้เข้าไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเท่านั้นสภาวะทั้ง6ประการนี้มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกัน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 ซึ่งผู้สนใจการเจริญสติทุกคนมีหน้าที่จะต้องศึกษาและถือปฏิบัติด้วยตนเอง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 สำหรับพวกเราชาวเถรวาสเพียงทราบไว้ประดับความรู้เล่นๆก็พอแล้วจุดสําคัญอยู่ที่การมีสติรู้ทุก์คือรู้กายรู้ใจและรู้ในลักษณะของการตามรู้ไปเนือ ง, งด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางส่วนผลจะปรากฏเป็นความพ้นทุกอย่างไรก็จะสัมผัสได้ด้วยตนเองเป็นลําดับลําดับไป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 ตลอดเวลาและรวดเร็วมากคือรู้ได้เพียงครั้งละวับเดียวเพราะจิตที่ไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐะเกิดได้เพียงคราวละหนึ่งขณะเท่านั้นถ้าเห็นตรงนี้มากๆ ก, ก็จะบรรเทาความปรารถนาหรือตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐะได้เป็นอย่างดีเพราะไม่ทราบว่า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 1. ทุกควรรู้ 2. ส, สมุทัยควรละ 3. ามิโรดควรทำให้แจ้ง 4. มักควรทำให้เจริญ